ศึกษาพระพุทธศาสนานะเราศึกษาอยู่สองเรื่องเรื่องทุกเกีกับเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ขอบเขตสโคบของาศาสนาพุทธมีเท่านี้เองเราจะเรียนเรื่องทุกแล้วก็วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อในสองหัวข้อนี้มันก็มีรายละเอียด ที่เราต้องศึกษาอย่างเรื่องทุกข์อะไรเป็นเรื่องทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นก็กสังขิตเตนะปัญจุปาทานัคันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันทั้งหคือตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันทั้งหก็คือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเร่านี้แหละก็มีรูปธรรมก็มีความรู้สึกสุขทุกข์เรียกว่าเวทนา มีความจำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญามีความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าสังขารมีความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณหรือจิตนะงันที่ว่าเรียนเรื่องทุกข์ก็คือเรียนเรื่องขันห้าเรียนเรื่องสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองงันได้ยินคำว่าทุกข์นะเป็นคํานิยามเฉพาะนะทุกข์ไม่ใช่แค่ทุกข์ทรมานนะันแค่ทุกขขเวทนา อะไรคือทุกข์ก็ขันห้าคือทุกข์สิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานั่นแหละเรียกว่าตัวทุกข์มันมีนิยามเฉพาะไม่ใช่ความหมายอย่างโลกโลกคนไทยไมายืมศัพท์ทางศาสนาพุทธมาใช้เราใช้คลาดเคลื่อนเยอะมากเลยนะอย่างคําว่ามาณนะคนชื่อมานะถือว่าดีนะมาณะจริงๆเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเป็นความถือตัวว่า กูแน่หรือกูเท่าๆกันหรือกูแย่กว่าเขาเรื่องกิเลสเวทนาเวทน า, นาในทางศาสนานะแปลว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เราก็มาเปลี่ยนเป็นเวทนาน่าสมเพศเวทนาคำพวกนี้ถูกใช้ที่เคลื่อนๆไปคำว่าอารมณ์อารมณ์ในทางพุทธศาสนาหมายถึงออบเจกทีฟ สิที่ถูกรู้เป็นของที่คู่กับจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์เป็นของที่ถูกจิตรู้เราอารมณ์มาใช้ในความหมายแคบๆ เ, เป็นอิมชันมันแคบลงมางั้นมันเคลื่อนเยอะเลยนะทีเวลาที่เราฟังธรรมะบาทีเราต้องเข้าใจศัพท์ให้มากขึ้นหรือสับบางตัวอยู่คนละที่มันเป็นคนละความหมาย อย่างคำว่าทุกขนะ์มีได้แต่ทุกขเวทนาหมายถึงความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกทุกข์ทางใจนี่เรียกทุกขเวทนาทุกขศัตร์เป็นอีกแบบหนึง่งทุกขลักษณะเป็นอีกแบบหนึง่งทุกขลักษณะอยู่ในไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกในไตรลักษณ์แต่ว่าสภาวะที่มันบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้อย่างความสุขที่เกิดขึ้นนี่ก็ ทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวไปในความสุขก็เป็นตัวทุกข์เป็นทุกขลักษณะอะไรเงี้ยทุกขสัตว์ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อว่าให้ฟังตะกี้นะเราจะมาเรียนจนถึงทุกขสัตว์ในทุกขสัตว์ก็คือตัวขันนี่แหละคือตัวทุกข์ท่านบอกสังขิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานักขันทาทุกขาโดยสรุปขันทั้งหเป็นตัวทุกข์ถ้าเราแจ้งตรงนี้รู้แจ้งอริยสัจมันก็เป็นพระละหาัน ยังไม่แจ้งอริยสัจก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต้องเกิดอีกกระทั่งเป็นโสดาสกทาคาผ้านาคายังไม่แจ้งในกองทุกยังเกิดอีกยันสิ่งที่เราจะเรียนคือเรื่องทุกข์เราจะเรียนเรื่องขันของเราเรื่องกายเรื่องใจของเราวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มีหลายระดับการปฏิบัติการฝึกฝนทางกายทางวาจาหรือว่าศีล การฝึกฝนทางจิตใจมีสมาธิและปัญญาฝึกฝนกายวาจาให้หมันเรียบร้อยไม่ไปเกียการละลานคนอื่นเขาเพื่อเกื้อกูลให้เรามีชีวิตที่เรียบง่ายไม่วุ่นวายมากคนมีศีลจะชีวิตเรียบง่ายไม่วุ่นวายภาวนาง่ายเป็นการจัดระเบียบทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยส่วนการฝึกจิตใจนะั้นมีสองอันคือสมาธิและปัญญา สมาธิก็ยังแยกเป็นสองชนิดอีกสมาธิอันแรกจิตไปสงบอยู่กับตัวอารมณ์เมื่อกี้หลวงพ่อบอกนะอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้เป็นของคู่กับจิตสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เช่นรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องฟองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูเท้าเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้า จิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์อันเดียวไม่วอกแวกไปที่อื่นเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าสมาธิเพ่งอารมณ์หรืออารามณูปนิชานสมาธิชนิดที่สองจิตไม่ได้ไหลไปที่อารมณ์แต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันจิตเป็นคนไปรู้อารมณ์อารมณ์เป็นของที่ถูกรู้ถ้าจิตเราแนบเข้าไปกับตัวอารมณ์เป็นสมาธิชนิดอารามณูปนิชานใช้ทําสมถะ ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตไม่ไหลไปตามอารมณ์สักว่ารู้ว่าเห็นอารมณ์ผ่านมาแล้วผ่านไปจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่หลงไปตามอารมณ์เรียกลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานสมาธิที่จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์อารมณูปนิชฌานใช้ทำสมถะกรรมฐานงันการฝึกจิตฝึกใจนี่จะมีสองอันจะฝึกสมถะกับฝึกวิปัสสนาฝึกสมถะเนี่ยน้อมจิต ให้ไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเคล็ดลับเรื่องเราก็ต้องเรียนกันว่ามีเคล็ดลับยังไงจิตถึงจะสงบง่ายง่ายมากๆเลยแล้วก็ถัดจากนั้นเราจะมาฝึกวิปัสสนาฝึกวิปัสสนาต้องใช้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่จิตไปตั้งที่อารมณ์คนละแบบกันเรื่องสมาธิสองชนิดนี้แต่เดิมครูบาอาจารย์ก็สอนหลวงปู่เทศเคยสอนเรื่องฌานกับสมาธิ ท่านเป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาถ้าสับที่ถูกต้องในทางปริยัติคำว่าฌาญของหลวงปู่เทสคือการเพ่งอารมณ์เพ่งอารมณนุปนิชฌานคาว่าสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตภาษาปริยัติเรียกว่าลัคนูปนิชฌานครูบาจารย์สอนเหมือนกันแต่คนไม่ค่อยเข้าใจท่านในยุคโนัน้นนะสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนี่แหละเอาไว้ทํำวิปัสสนานการทํำวิปัสสนาเนี่ย จะทำยังไงนี่ก็เรื่องที่เราต้องเรียนนะเห็นไม้มเรื่องที่เรียนมีหลายตัวนะอันแรกเราต้องเรียนเรื่องตัวทุกตัวทุกก็คือเรื่องตัวขันเราต้องมาเรียนว่าขันห้าเป็นยังไงนะเราจะดูมันได้ยังไงจะเห็นมันได้ยังไงจะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็น5ตัวได้ยังไงอันนี้เราต้องเรียนกันนะต่อไปก็เป็นเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ การปฏิบัติฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยจิตใจจะได้สงบง่ายเรียกว่าศีลก็ต้องเรียนว่าทำยังไงศีลจะเกิดการฝึกจิตฝึกใจมีสองชนิดคือฝึกสมถะและวิปัสสนาสมถะเนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่จิตไลหลไปอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องไม่หนีไปไหนเลยวิปัสสนาเนี่ยมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วมีสติระลึกรู้กาย มีสติระลึกรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณนะ์เนี่ยก็มีวิธีการว่าดูยังไงถึงจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีโอกาสเจอเล ย, นะยเราต้องเรียนนะเรียนมาเป็นลาดับลาดับก็มีเท่านี้เอง ที่เราต้องเรียนกันไม่ได้มากอะไรฟังทีเดียวก็เยอะหน่อยถ้าฟังแล้วฟังอีกหมูหมูสบายนะ <c oughs> เนรียกพลิกๆเนาะง่ายไม่ยากหรอก <c oughs> อันแรกเลยเราจะเรียนตัวทุกข์คําว่าทุกข์มีหลายอย่างแต่ที่บอกแล้วนะความเจ็บปวดทางร่างกายาากาย็เป็นทุกข์ทางกายเรียกทุกขเวทนา ความกลุ้มอกกลุ่มใจเขาเรียกทุกขางใจก็เป็นทุกขเวทนาเป็นเวทนาทางใจมีชื่อเฉพาะเขาอีกรู้สึกเรียกทุกขเวทนาแล้วฟังไม่ออกว่ากายหรือใจบางคนก็แยกละเอียดออกไปอีกว่าถ้าทุกขทางกายเ้าเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าทุกขทางใจเขาเรียกโทมนัตเวทนารู้จักคาว่าโทมนัตไหมโทมนัตตรงข้ามกับคำว่าโสมานัต ตัวตนมันนัดสมันนัดคือเวทนาทางใจนะสุขทุกข์นี่เป็นเวทนาทางกายนะเราไม่ต้องเรียนละเอียดถึงขนาดนั้นก็ได้เราเอาภาษาไทยความสุขกายสุขใจความทุกข์กายทุกข์ใจนะนี่เรียนค่อยๆมาหัดแยกแยกขันนะทำความรู้จักก่อนทําไมเราต้องแยกขันให้เป็นเราต้องแยกขันให้เป็นเพื่อว่าทําลายจะได้ทําลายความเห็นผิดเมื่อมีตัวตน อย่างมีรถยนต์หนึ่งคันเราเห็นว่ารถยนต์มีจริงๆเราอยากให้เห็นความจริงว่ารถยนต์ไม่มีเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆลูกล้อถอดออกมาแล้วลูกล้อลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อถอดต่อไปนะมาถอดกันชนถอดเบาถอดตัวถังถอดเครื่องยนต์ถอดเป็นชิ้นๆไปเรื่อยถอดหลอดไฟสายไฟ ถ อ, อาออกมาแต่และอย่างแต่และอย่างไม่ใช่รถยนต์สัอย่างเดียวกลายเป็นกองอะไหล่กองเบลอเลยกองไว้เอาไปใส่คืนมีสีใสไม่ถูกเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่ก็เหมือนกันจับมันแยกออกเป็นส่วนๆได้นะแต่มันไม่ได้ยากเย็ยนเหมือนไปประกอบอยานอาวากาศประกอบรถยนต์รถไฟอะไรหรอกมันมีแค่5ส่วนหลักๆส่วนที่เป็นร่างกายเป็นวัตถุาธาตุอะไรเนี่ยนี่ส่วนที่เป็นรูปธรรม เรจะมาฝึกจนเห็นว่ารูปธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเราส่วนที่2คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในกายในใจเราก็จะมาฝึกฝนจนเห็นว่าความสุขความทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนที่เห็นว่าลูกล้อมันไม่ใช่รถยนต์นั่นแหละความจําได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาเราก็จะมาฝึกจนเห็นเลยว่าความจําได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเราก็มาฝึกจนเห็นเลยว่าสังขารก็ไม่ใช่ตัวเรา วิญญาณคือจิตที่เกิดไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้นกายใจเราก็มาฝึกจนเห็นว่าวิญญาณหรือจิตเนี่ยจิตกับวิญญาณเนี่ยตัวเดียวกันนะจิตวิญญาณใจนี่อันเดียวกันทั้งหมดเลยเรียกชื่อต่างๆกันไปเวลาทํางานต่างที่ก็เรียกชื่อต่างกันหน่อยเราก็จะเห็นว่าวิญญาณหรือจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเรียนแยกขันมาเพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรา เมื่อเห็นตัวนี้แล้วนะพอขันมารวมกันเราก็จะไม่ลงผิดว่าเป็นตัวเราอีกต่อไปนี่เรียนเรื่องขันอันนี้ค่อยๆเรียนทีหลังก็ได้นะวันนี้เราจะมาคุยกันหนักนตัวอกช่วงสาวัดในเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกแต่ให้รู้ก่อนว่าตัวทุกหมายถึงขันห่านะคำว่าพ้นทุกก็คืออะไรตัวทุกหมายถึงขันห่าความพ้นทุกก็คือความพ้นจากขันห่า ใครเป็นคนพ้นจากขันห้าจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่มีปัญญาแก่รอบนี่นแหละพ้นจากขันห้าคือเขาไม่ยึดถือขันห้าอย่างพวกเราหัดแรกๆเนี่ยมันไม่พ้นขันห้าหรอกแต่จิตเนี่ยปล่อยอารมณ์ได้เป็นช่วงๆเลยอย่างจิตไปคลุกอยู่กับอารมณ์เราภานาไปช่วงหนะึ่งจิตกับอารมณ์แยกกันได้มันพ้นออกมาได้ หรือร่างกายเนี่ยเดิมเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราจริงๆหัดภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งกายกับจิตก็แยกออกจากกันได้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราฝึกไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับร่างกายก็คนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอันกันมันแยกออกจากกันได้กุศลอกุศลทั้งหลายนัก็ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งแยกออกจากกันได้ นี่เราจะฝึกจนสามารถแยกออกได้เมื่อแยกออกเป็นส่วนๆได้แล้วเราก็จะมาเห็นความจริงของแต่ละส่วนว่าแต่ละส่วนนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตัวไม่ใช่ควรใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาเนี่ยวิธีปฏิบัตินะจะมุ่งมาตรงนี้งั้นบางคนไม่เข้าใจนะเป็นนั่งสมาธิคิดว่านั่งไปเรื่อยจิตสงบไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานคนละเรื่องเลยไม่มีทางบรรลุเลย จะเข้าถึงมรรผลนิพพานได้จิตต้องปล่อยวางความยึดถือขันได้จิตจะหมดความยึดถือขันได้ถ้าจิตเห็นความจริงของขันว่าเป็นของไม่ดีไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจิตยังเห็นว่าขันเป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราอยู่ไม่ปล่อยหรอกงั้นสิ่งที่เราจะมาพัฒนานะก็คือพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าเรามีปัญญ า, มาเมื่อไหร่นีจิตจะพลากออกจากขันแยกออกจากทุกข์ได้จิตจะทุกข์ไม่เกี่ยวขันต่อไปแล้ว ตัวขันห้าเป็นตัวทุกจิตจะแยกออกมาจิตจะไม่ใช่ตัวทุกอีกต่อไปแล้วค่อยๆฝึกนะเรื่องความพ้นทุกความดับทุกอะไรมันก็เป็น2ระดับอีกมีรายละเอียดที่ต้องเรียนเยอะเหมือนกันแต่ค่อยๆเรียนไม่ต้องตกใจอย่างนิพพานนะมันมี2อันอย่างเวลาบารรลุพระอราหันต์เนี่ยเข้าถึงนิพพานชนิดแรกเรียกว่าสัุปาทิเศ ส, สนิพพานนิพพานอันเนี้ย จิตพลากออกจากขันเงั้นจิตพลากออกจากกองทุกเรียกว่าพ้นทุกเ์เาะงันบรรู้พารอาหารนี่เรียกว่าพ้ น, นาารรพทุกนะแล้วอยู่ไปเลยจนหมดอายุไขแล้วแตกดับร่างกายแตกดับธาตุขันแตกดับขันดับไปพอขันดับก็เรียกว่าอะไรดับทุกทุกมันดับก็บอกแล้วว่าขันคือตัวทุกเพราะงั้นคว่าพ้นทุกก็คือพ้นจากขันดับทุกก็คือดับขัน เนี่ยเราจะเรียนเรื่องขันนี่แหละตัวหลักเลยเรียนจนเห็นความจริงของขันจิตจะปล่อยวางไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือได้เด็ดขาดนะั้นอยู่ไปเรื่อยอยขันแตกขันดับ mm hmm. ก็ไม่มีขันนะไม่ต้องทุกข์เพราะขันอีกต่อไปนี่กว้างๆนะสะคบกว้างๆหลวงพ่อให้ภาพสเก็ดกว้างๆให้ดูก่อนตาได้อย่างว่าอะไรคือตัวทุก์ตัวขันตัวทุกนะ เราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกเพื่อความดับสนิทแห่งทุกนะงั้นเลยเปนเรื่องทุกกับเรื่องการปฏิบัติเพื่อความดับทุกท่านั้งที่เราจะเรียนเอาละต่อไปเราจะเริ่มลงมือปฏิบัติเราจะเรียนเรื่องวิธีปฏิบัติแล้วนะปฏิบัติยังไงให้เกิดศีลปฏิบัติยังไงให้มีสมาธิสมาธิมีสองชนิดปฏิบัติยังไงให้จิตสงบเป็นสมถะมีสมาธิชนิดสมถะ ปฏิบัติยังไงให้เกิดสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดนะูเพื่อเอาไว้เดินปัญญ า, าไว้ทำวิปัสสนาแล้วก็การทำวิปัสสนากรรมาฐานการเจริญปัญญานั้นทำอย่างไรมันจะเต็มไปด้วยคำว่า h าวนะอย่างไรที่เราจะเรียนในเรื่องหาวทับทังนั้นเลยเคยได้ยินคาว่าโนหาวไหมโน h าวแพงนะแพงมากๆเลยอย่างเราจะไปจ้างคอนซัลท์จ้างอะไรเนี่ยซื้อโนหาวของมันะ หรือซื้อลิขสิทธ์ซื้ออะไรนี่เรื่องโน้ตเฮาทั้งนั้นคล่าลิขสิทธ์นะ่ะแพงมากเลยงั้นสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นโน้ตเฮาในทางศาสนาพุทธนะไม่ค่อยมีใครสอนหรอกชับสอนกันแต่ว่าไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแต่ว่าความรู้แท้แท้เนื้อหาแท้แท้เพื่อความค้นทุกข์ไม่ค่อยมีใครบอกกันเท่าไหร่มันบอกยากไม่ใช่เข้าห่วงหรอกพูดยาก ว่าจะเข้าใจกว่าจะพูดให้คนเข้าใจได้คนหนึ่งยากทำไงต้องมีศีลศีลนะมันเกิดจากกิเลสเนี่ยมันคล่อบงําจิตใจได้ถ้ากิเลสครอบงําจิตใจไม่ได้ไม่ผิดศีลจะมีศีลอัตโนมัติศีลเบื้องต้นที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นศีลขี้ขอต้องไปขอมาจากพระก่อนเมื่อยังพันเตวีซุ้งวีซุ้งลักขณัตทายะ ้ติสระเนนะสหะจะขอศีลห้าศีล8ก็ได้ขอเสร็จแล้วก็ทิ้งเหมือนกันะขอศีล5เดี๋ยวก็ทิ้ง่อศีล8เดี๋ยวก็ทิ้งอีกนั่นสิขอศีลขอเนี่ยเป็นการคล้ายๆไปปฏิญาณตัวหาพยานหาพยานนะว่าฉันจะรักษาศีลนะถ้าไปทำผิดศีลนะพยานรู้เห็นเนี่ยอายเขา แต่จริงๆศีลนี่เราตั้งใจเอาเองก็ได้ไม่ต้องไปขอที่พระนะตั้งใจงดเว้นคําว่าศีลเนี่ยตัวศีลจริงๆคือเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นการทําบาปอกุศลทางกายวา จ, จา5อย่างถามจริงๆใครจําศีลห้าไม่ได้บ้างภาษาไทยเนื้อหานะไม่ต้องภาษาบาลีใครไม่ได้บ้างศีลข้อวศีมีไหมเป็นยังไงใครตอบได้ข้าวีลเรื่องอะไร มุสาบานะมุสาบานครอบคุมเรื่องพูดเท็จพูดสอ่อเสียดพูดเท็จเนี่ยพูดโกหกเลยพูดสอ่อเสียดคือพูดให้เขาทะเลาะ ก, กันนะพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพอร์เจอร์มุสาบานนะเยอะเหมือนกันนะขอศีลเสร็จแล้วคุยกันเลยแข่งกับพระพระเทศเพอเจอนะออขาดเลยศีลต่างพล้อยแนละ้วศีลเนี่ยคือเจตนางวดเม้น ว่าเราจะไม่ทำบาปมาภุ้สลเพื่ออะไรถ้าเรารักษาศีลได้ดีสมาธิจะเกิดง่ายถ้าไม่มีศีลสมาธิเกิดยากจิตจะฟุง้งซ่านยกตัวอย่างอย่างศีลข้อหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นระหว่างคนคิดจะฆ่าคนคิดจะทำร้ายกับคนที่ไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะทำร้ายอันไหนจะสงบกว่ากั น, นเวลาคิดจะฆ่าคนจะฟุง้งซ่านใช่ไหมไม่สงบหรอก ถ้ามีแต่ความเมตตาไม่คิดจะฆ่าใครมีแต่ความเมตตาเกิดขึ้นนะจิตใจสงบนะคนคิดจะลักขโมยเขาใช่ไจิตใจสงบไหมจิตใจต้องวางแผนมากมายเลยวางแผนยังไงไปขโมยเขาไม่ให้เขารู้ขโมยมาแล้วจะปปิดความผิดยังไงนะตำรวจจะตามาจับทีหลังไหมตอนไปขโมยมีใครเห็นไหมไนะี่ยมีเรื่องให้คิดเยอะเลยในขณะที่คนที่ไม่ขโมยหรือคนที่ให้เนะี่ย คนที่รู้จักให้นะไม่ต้องคิดมากมีความสุขมีความสงบง่ายกว่ากันคนที่ประพฤติผิดในกรรมเป็นชู้คนโน้นคนนี้ใช่หไหมปวดโจดจะตามมาถึงตัวเนี่จะถูกยิงถูกค่าฟุ้งซ่าน ง, ง่ายคนที่สันโดษอยู่ในคู่ของตัวเองสงบง่าย น, นั่นศีลจริงๆนะทำไปเพื่อสงบง่ายสบายถือแล้วสบายคนโกหกต้องจำมากไหม ต้องใช้ความจำใครเคยโกหกบ้างยกมือสีมีสองยงพวกนะพวกที่โกหกแล้วสารภาพกับพวกที่โกหกแล้วไม่สารภาพมีสองพวกหาคนไม่เคยโกหกหายากยากมากๆเลยนะมันมีเหมือนกันนะแต่น้อยเต็มทีเลยเวลาเราโกหกเราต้องใช้ความจำนึกออกไหมสมองเราคล้ายๆคอมพิวเตอร์นะ เรหน่วยความจําไปใช้ซะเยอะเลยยี่โกหกเก่งนี่ต้องใช้ความจํามากเลยบางคนโกหกจนอัตโนมัตินะันไม่ต้องใช้ความจนะําน้วเจอใครก็พูดไปเรื่อยๆจนคนเขางงว่าพูดเรื่องอะไรอันไหนจริงอันไหนปลอมไม่รู้เลยนะมีนะคนชนิดนี้ก็มีเวลาโกหกมากนะต้องจํามากเหนื่อยไม่โกหกเนี่ยง่ายกว่ากันเยอะเลยไ ม, ไม่ต้องวางแผนซับซ้อนเลยความจริงมันเป็นอย่างเนี้ยมันง่ายกว่ากันเยอะเลย แต่พูดจริงเนี่ยไม่ใช่สัมมาวาจาะนะสัมมาวาจานี่จะพูดที่เป็นสัมมาวาจาไม่ใช่แค่พูดจริงนะต้องพูดประกอบด้วยเมตตาพูดรู้จักกาลเทศะนะพูดไภเราะสุภาพอ่อนโยนยนีย่มีเงื่อนไขตั้งห้าตัวนะงั้นบางคนพูดโนอะ้โ ห, หแบบหมาเอาหูหุบเลยเราบอกว่าพูดความจริงนะไม่ใช่สัมมาว า, าจารเราเห็นเพื่อนคนหนึ่ง หน้าตาดูไม่ได้เลยบอกว่าพ่อเธอเนี่ยไม่มีหัวสถาปัตย์เลยอย่างเงี้ยพูดความจริงนะแต่มันไม่เข้าหูคนนะไม่ใช่สัมมาวาจานะเออมันมิจฉาวาจานะเนื้อถ้าเราเราพูดความจริงเงี้ยสบายไปกินเหล้ากินยาใช่ไหมฟุง้งซ่านไม่กินนะสงบง่ายกว่างั้นถ้าศีลของเรารักษาไว้เนี่ยนะไม่ใช่ลําบากนะ ศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เรารักษาเพื่อลำบากแต่ให้เรารักษาเพื่อจะสบายเรารักษาแล้วจิตใจเราจะสงบง่ายแรกๆเนี่ยกิเลสมันจะเร้าให้เราทําผิดศีลเราก็เลยรู้สึกว่ารักษายากแต่ถ้าเรามีสติรักษาจิตซะก่อนนะกิเลสครอบงําจิตไม่ได้เรารักษาศีลนี่ง่ายมากเลยรักษาศีลไม่ต้องไปรักษาที่ปากไม่ต้องไปรักษาที่มือที่เท้าอะไรหรอกให้รักษาที่ใจ เวลากิเลสอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจเรานะเรารู้ทันความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโกรธจะครอบงําใจเราไม่ได้ถ้าความโกรธครอบงําใจเราไม่ได้นะเราจะไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปตีเขาใช่ไหมไม่ไปทําลายทรัพย์สินเขาไม่แกล้งไปไปทำลายคนรักของเขาไม่ไปด่าว่าเขาแม้ศีลมาทั้งเยอะนีถ้าความโลภมาเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโลภไม่ครอบงําใจเราใช่ไหม เราก็ไม่ไปฆ่าเขาเพื่อชิงทรัพย์อย่าเงี้ยไม่ไปลักทรัพย์เขาไม่ไปเป็นชู้กับเขาไม่ไปปลิ้มปล้อนหลอกลวงให้ผิดศีลใช่ไหมมันอยู่ที่กิเลสกับจิตเท่านั้นเองงั้นต่อไปนี้นะบทเรียนที่1บทเรียนของพระพุทธเจ้ามี3บทเท่านั้นเองคือศีลสิกขาจิตสิกขาจิตสิกขาจะได้สมาธิโดยเฉพาะสมาธิชนิดที่2คือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นถึงเรียกว่าจิตสิกขา บทเรียนที่3ชื่อปัญญาสิกขาวิธีเจริญปัญญาคือการทํำวิปัสสนากรรมฐานทํำยังไงจะเห็นขันห้าเป็นไตรลักษณ์ไดนะ้บทเรียนมี3มบทบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาวิธีรักษาศีลที่ง่ายที่สุดนะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันแค่นี้เองเห็นไหมง่ายไหมบทเรียนนี้ง่ายนะคอยรู้ทันขับรถอยู่คนเขาปานหน้าโกรธรั่ว่าโกรธใครเคย โกรธคนปาดหน้าแล้วด่าบ้างมีไหมเนี่แต่ถ้าโกรธปุ๊บแทนที่เราจะไปดูเขานะไอ้คนนั้นมันฝาดเราแทนที่ไปดูเขานะมาดูใจตัวเองว่ากําลังโกรธเนะีแค่นี้เองจบเลยเราพอเราไม่สนใจเขาเท่านะั้นเหตุให้เกิดความโกรธไม่มีแล้วความโกรธในใจเราจะดับทันทีเลยไม่ใช่พักูเก่งนะ สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับความโกรธก็มีเหตุเหตุของมันหนึ่งกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจข้อ2มีนิสัยเคยชินถ้าเรื่องแบบนี้เราโกรธง่ายนะอันที่สมมีการตรึกมีการคิดในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นเรียกว่าพยาบาทวิตกเนี่ยถ้าองค์ประกอบเหล่านี้มีอยู่นะความโกรธก็เกิดถ้าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่มีมันก็ไม่เกิดหรืออย่างความรัก ราคะเนี่ยความรักความใคร่ทั้งหลายนะก็ต้องมีเหตุอันแรกเลยต้องกระทบอารมณ์ที่พอใจเป็นคนที่บ้ากามนะไปที่ไหนเจอแต่หมาเน่าใช่ไมไม่เกิดราคะต้องไปเจอของสวยของงามถึงจะเกิดราคะอันที่สองมีอนุสัยมีความเคยชินถ้าเจออารมณ์แบบนี้แล้วจะต้องมีราคะไม่ชินอันที่3ามมีการตรึกมีการคิดพิจารณาไปในทางที่ให้มีราคะเรียกว่ากามวิตก ถ้าองค์ประกอบเหล่านี้มีอยู่นะยังไงราคะก็เกิดครั้งหนึ่งมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีการมาราคะหรือไม่ถามพระพุทธเจ้านะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีการมาราคะหรือไม่ท่านตอบว่าเราไม่มีการมาราคะเพราะเราไม่มีกามาาวิตกนะท่านตอบได้รัดกุมดีไหมไม่มีเหตุให้ราคะเกิด ท่านไม่ใช่เราไม่มีการมาราคะเพราะกูเก่งเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะคือไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดถ้ามีเหตุมันจะเกิดเพราะงั้นเวลาที่เราเกิดสติขึ้นมาเนี่ยจิตเราจะหลุดออกจากวิตกที่ไม่ดีการตรึกที่ไม่ดีการคิดที่ไม่ดีเวลารู้สึกตัวเนี่ยความคิดที่ไม่ดีมันจะดับอัตโนมัติเลยนะงั้นเราเห็นเขาปาดหน้าปุ๊บ ความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันที่ความโกรธในขณะที่เรารู้ความโกรธเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดในทางที่ไม่ดีกับเขาล้ความโกรธก็ดับถัดจากนั้นถ้าคิดเรื่องไม่ดีใหม่นะความโกรธก็เกิดถ้าคิดไปในทางดีนะกุศลก็จะเกิดเช่นพอความโกรธดับปับ๊บระลึกขึ้นได้ว่าข้อคงจะรีบนะสงสัยเมียจะคลอดแล้วน่าสงสารจะไปทันไม่รถติดอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะเพราะความเมตตาเกิดเนี่โทรศัรทไม่มีละ มันเกิดอย่างนี้งั้นให้พวกเรานะง่ายนิดเดียวเลยกิเลสมันเกิดตอนที่ตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งเกิดเมื่อใจมันคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยกิเลสเกิดเมื่อมีผัสสะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเงั้นเราคอยรู้ทันเมื่อตามองเห็นรูป กิเลสเกิดที่ใจเรารู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงกิเลสเกิดที่ใจเรารู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นกิเลสเกิดที่ใจเรารู้ทันเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบสัมผัสเช่นยุงมากัดยุงกัดแล้วเป็นไงเกิดอะไรโมโหไหมมันทําเราเจ็บเห็นไหมทุกเขเวทนาเกิดขึ้นโทสะก็แกทรกอย่าโทสะแทรกตามทุกเขเวทนาตามอารมณ์ที่ไม่ดีโทสะพอยุงกัดก็โกรธ เราเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นความเจ็บอยู่ที่กายความโกรธมันอยู่ที่ใจโคลอ่านกันนะถ้าสติทันความโกรธครอบความจิตไม่ได้ก็ไม่ฆ่ายุงมันก็ไล่ยุงไปแล้วก็เกาหาอะไรหายามมองหาอะไรมาทาแก้ขันไปไม่อยู่ที่สติของเราเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะกิเลสเกิดที่จิตให้เรามีสติรู้ทันศีลจะเกิดขึ้น สีนชนิดนี้ดีกว่าสีห้าสีลชนิดนี้ดีกว่าศีแปดสีนชนิดนี้ดีกว่าสีลนน10ดีกว่าศีสองริบเจ็ดพระศีลชนิดนี้ชื่อว่าอินเซียสังวรสีอินเซียสังวรศีนี้เป็นสีนของนักปฏิบัติแล้วนะก็คือเมื่อกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์ดีราคาเกิดรู้ทันกระทบอารมณ์ไม่ดีโทสะเกิดรู้ทันคอยรู้ทันที่ใจของเรานี่แหละนะเดี๋ยวไปดูนะตอนกินข้าว กระทบอารมณ์ดีเช่นตามองเห็นของชอบก็จิตก็เกิดพอใจราคะเกิดเดี๋ยวจะตักให้เยอะเลยนะให้เยอะเลยเพราะคนอื่นมาตักไปก่อนมาเข้าแถวตักไม่ทันเขานะเขาเอาของอร่อยไปหมดแล้วโทสะเกิดแล้วให้คอยรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันนี่ยอาจจะเดินแกล้งเหยียบขามัน <c oughs> นี่เบียดเบียดแล้วศีลดังพร้อยละมันตักมากนะั่งแกล้งเซชนมันเลยจานมันคว่าไปเลยมันอยากกินเลย เ <S an> นี่ยมันผิดศีลอนี้นะงั้นเราคอยรักษาศีลที่เรียกว่าพัฒนาศีลที่เรียกว่าอินเสียสังวรศีลขึ้นมาให้ได้เมื่อตามองเห็นรูปนะเกิ ด, เ ก, ดเกิดกุศลอกุศลขึ้นที่ใจคอรู้ทันเราเห็นหน้าบางคนเราก็เกลียดนึกออกไหมเราเห็นหน้าบางคนเราก็รัก <S <S <an> เกลียดหรือรักเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันได้ยินเสียงบางอย่างก็ชอบใช่ไหมได้ยินเสียงบางอย่างก็เกลียด ให้คอยรู้ทันนะมีสัมผัสทางร่างกายมีอะไรนุ่มๆ ม, ม, มาสัมผัสเนยสบายนึกว่าเพื่อนมาสะกิดสบายหันไปดูนะกลายเป็นหมาขี้เลื้อนมาสีอยู่เนี่ยจีแรกราคะเกิดตหลังโทสะเกิดคอยรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็เตะหมาเลยเห็นไหมเนี่กฝึกอย่างนี้นะฝึกคอยรู้ทั น, นเวลาใจเราคิดใจเราคิดไปบางทีก็เกิดกุศลบางทีก็เกิดอกุศล ให้เราคอยรู้ทันกุศลเกิดขึ้นให้รู้ทันคิดเรื่องนี้มีกุศลคิดต่อไปได้คิดเรื่องนี้เป็นอกุศลรู้ทันนะอกุศลครอบงําจิตไม่ได้ออกุศลครอบงำจิตไม่ได้เราจะไม่ทําความชั่วความชั่วอันแรกที่เราทําคือความชั่วทางใจมโนกรรมทําก่อนนะกายกรรมวัจจิกรรมค่อยตามมางั้นเรามารักษาจิตด้วยสติเราจะได้ศีล น, นี่จบบทเรียนที่หนึ่งของพระพุทธเจ้า แต่ไปฝึกมากๆจะได้ศีลอัตโนมัติฝึกไปจนกระทั่งชำนีิชำนาญจริงๆ จ, จะไปถึงศีลอีกชนิดหนึ่งชื่ออริยกันตศีลอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยชมเชยเป็นศีลที่บิณฑุชนชมเชยไม่มีบิณฑุชนคนไหนตำหนิเราได้เราก็ตำหนิตัวเองไม่ได้ไม่มีอะไรดังพร้อยให้ตำหนิตัวเองได้เนี่เป็นศีลที่งดงามมากนะ ถ้าเราพัฒนาตั้งแต่อินทรียสังวรศีลขึ้นไปเรื่อยๆสมาธิจะเป็นเรื่องหมูแล้วเดี๋ยวจะถึงบทเรียนที่สองเนี่ยง่ายเลยเพราะฉนั้นาบทเรียนที่หนึ่งนะมีสติรักษาจิตไว้จะได้มีอินทรียสังวรศีลได้ตัวนี้นะจะบอกให้ว่าจ ะ, จะเจริญสมาธิหรือจ ะ, จะเจริญตัญญาต่อไปข้างหน้าง่ายเลยง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าเราเริ่มพัฒนาสติแล้ว ถ้ามีสติก็มีศีลถ้ามีสติก็มีสมาธิถ้ามีสติก็มีโอกาสเกิดปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันอะไรเกิดที่ในใจรู้ทันรู้ทันนี่แหลเรียกว่าสตาิไปทานข้าว